พวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก่อนนะว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่หนักแน่น อะไรนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติ ป, ปัญญามากยิ <c oughs> ่การปฏิบัติจิตเพื่อจะให้ได้ผลตามพระว่าที่ทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย ท่านชงได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณามากมายในขั้นต้นก็คือสติสติเป็นธรรมจาเป็นมากในทุกการสถานที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้องอยงการปฏิบัติ ต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสําคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียวกันกันกบใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กลับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้เลยนะเพึงทราบว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระวาทที่ออกมาจากพระไัยที่บริสุทธิ์สุดส่วน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัตทิที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทําให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้จัดสรุปธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุดซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามเพราะว่าแต่ละบทละบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละอ่ ไม่ใช่ศักิ์แต่ว่าศัก์แต่ว่าธรรมอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอาวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดต่อโดยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าสืบส่วนจริงๆถ้าการกะระทาของเราการสำเนียบศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช่ความพินิจณนพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอาวาทของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสแสดงด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่ได้เนี <c oughs> ย่ยเฉพาะอย่างยิ่งบงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงตายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หลักใจก็ไม่มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดวัคขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสำคัญหากได้พยายามทาตาม ริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอใจแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะไม่เข้มแข็งสติจะไม่ดี <c oughs> <c oughs> เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ให้มีความคล่องตัวได้เช่น <c oughs> เดียวกับสิ่งอื่น ง, งานใดก็ต า, ามทาทีแรกย่อมไม่สะดวก กุบกรับแต่ขั้นทําไปทําไปก็เกิดความจำนี้จานานและพร่องตัวเช่นเราเขียนหนังสือรับตาเขียนยังได้คล่องขนาดไหนดูสินั่นคือความคล่องตัวเพราะความเคยชินเขียนอยู่เสมอนี่การพยายามตั้งอยู่เสมอตั้งสติย่อมจะเป็นสติที่สืบเนื่องกันไปได้กลายเป็นสัมปะชญะญ ความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากความรู้ตัวของสติแล้วก็จะทําจิตท่องเราให้สงบเย็นเพราะสติหรือสัมปชัญญะนั้นเ ป, เป็นเครื่องรักษาอยู่ตลอดเวลาจิต <c oughs> ไม่หาเรื่องหาราว ม, มาก่อกวนตัวเองย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไร เพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามพวกคุมหรือรักษาจึงเลื่อลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้แลาร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบรลมเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไรถ้าอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบ ท, ที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกําหนดทำบุตรใดก็ตามนั่นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำธรรมนั้นมาเป็นอารมณ์ อารมณ์ที่จะให้เป็นสมถะคือความสงบใจก็เป็นอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่กําหนดอยู่กับที่ไม่กระจายไปสู่สิ่งใดไม่เหมือนปัญญาเช่นกําหนดลมหายใจหรือพุทธโธพุทธเข้าโธออกอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจไม่ใช่อารมณ์เพื่อความก่อกวนใจให้รับความทุกข์มีต่างกันที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติจึงควร ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยดีแล้วนําอารมณ์ที่ว่านี้เข้ามากํากับใจใจบางครั้งทั้งๆังที่เราใช้คําบริกรรมอย่างเด่นชัดเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคําบริกรรมของตนเือเวลาคําบริจิตมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจนไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติ คำว่าพุโทโธก็ดีอะไรก็ดีไม่ปรากฏเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันไม่ปรากฏเราก็ให้รู้อยู่กับความรู้ไม่เกี่ยวกับคําบริกรรมใดๆแต่รู้ด้วยความมีสติกํากับอยู่นั่นแหละตราเพื่จากสติไม่ได้ให้มีความรู้อยู่เช่นนั้นจิตก็จะสงบเย็นหรือมิฉะนั้น เราจะใช้อุบายปัญญาเอาพาก้าทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดอ่านแต่ตองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกันพาเดินกรรมฐานเลกรรมฐานห้ากรรมฐานอาการสามสิบสองเหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจะเที่ยวกรรมฐาน ในสกุลากายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางภายในร่างกายของเหล่านี้ไปโดยไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็ชื่อว่าเที่ยวกรรมาฐานทํางานที่ถูกต้องตามหลักธรรมท่านจะบกรรมาฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการปลอดถอนวิเลศต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสําคัญมากนั อันจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานห้าก็คือฐานที่ตั้งแห่งงานห้าประ ก, า, ก, การได้แก่เกสาลุมานคารันตาตะโจกนี่เป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นต่อจากนั้นที่นี่มีโอกาสหรือว่าเป็นความโล่งโปร่งพระนจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกรมมฐาน ภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้อาเบื้อบงบนกับขึ้นทิษะใชยดูผมดูหนังอยู่บนทิษะห่มหอกระโหลกทิษะอยู่กระโหลกทิศะนั้นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกินตามถนนหุนทางมันเห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบน ลิศะเรื่านี้ทำไมจึงมีความหมายนักหนาในโลกอันนี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสำคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งๆที่มันไม่มีราคานั่นเองนี่ละเดียว่บเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมาฐานดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไป แต่ไขเหตุการณ์ที่มันปัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากความหลอกลวงความสําคัญมันหมายผิดๆของกิเลสตัวเปรียบต่างๆด้วยปัญญาของเราให้พินิจพิจารณากาหนดดูเข้าไปจากกะโหลกศีรษะแล้วเข้าไปในมันสมองเป็นยังไงมันเต็มไปืลอวของปฏิกูลโสโคกเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นเราเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วย ปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆั น, นแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทํางานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานอา้าวขึ้นเข้า ข, ขึ้นข้างบนจนหมดลงเลื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุห้มเนื้อห่อเนื้อแล้วจะพะัฒนาโต หนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยถ้าไม่มีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นขนอันหนังหุ้มอยู่นี่หรือหนังนี่หรือเป็นขนหนังก็เป็นตั้งชื่อขึ้นมาอันนึงต่างหาแล้วดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปภายในและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปให้ลึกซึ้งเต็มตัวภายในของเหล่านี้มีอะไรบ้าง มีแต่สิ่งอย่างเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดทว่าอนิจจังก็แปรสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันาว่าทุกขังก็เหมือนกันสิ่งใดในร่างกายนี้จะทำเราให้มีความสุขความสบายไม่เห็นมนีแต่ทำความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนอียาบทต่างๆนั้นก็เพราะการบรรเทาความบีบบังคับของร่างกายที่เรียกว่าทุกข์ว่าทุกข์นั่นเอง ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มันหนักมากไปทุกมากไปจึปงต้องปัดต้องเปลี่ยนเรียบทอยู่เรื่อยๆนี่ธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอะไรมันเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันมีตั้งแต่สภาพเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งแต่และอย่างละอย่างของมันเท่านั้นนี่ก็เพราะกิเลสนั่นเอง เข้าไปเสกสรรตั้นยอว่ามันเป็นหนังนั้นเป็นหนังนี้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่เป็นทวิเวณเป็นของปลอมกระจายระสู่อันใดอันนั้นจริงไปปลอมไปหมดหาความจริงไม่ได้เชื่อความจริงไม่ได้เราจรึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้น่ะด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องเอาปัญญาเข้าไปย่างราบตามความจริงของมันแต่และอย่างละอย่างหลายครั้งหลายหนหลายตลบรบทวนจิตใจย่อมมีความสงบเย็นปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จาก คำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นเนื้อเป็นหนังเองก็ดูโดยลําดับลงไปเสียได้โดยลําดับลําดาบใจเย็นอ่ะเที่ยวลงไปสิกรรมาฐานลงไปพื้นเท้าเป็นยังไงดูหมดรอบตัวของเรามันเป็นไงนี่เวลาที่เราอยากจะเที่ยวกรรมาฐานเอาเที่ยวได้ไม่กิดไม่ขัดต่อจิตตะภาวนาในโอกาสที่ควรจะเที่ยวจิตอยากจะเพลินไปตามชนาพล่างกายเหล่านี้เอาให้เพลินไป เพราะเพลินในกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานนี่ก็ทําได้ในการที่ควรจะทําที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานของตนในเวลานั้นที่อยากทําอยากพิจารณาก็ให้พิจารณาไปนี่เรียกว่ากรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตามป่าตามเขานั่นก็เที่ยวเพื่อทํางานประเภทนี่แหละเพื่อหาที่เหมาะสําหรับจะ พิจรารณากรรมฐานภายในเที่ยวกรรมฐานภายในให้คล่องตัวให้แข่งแจ้งชัดเจนพันธิ์จึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมมีลูกขมูลร่มไม้คำว่าลูกขมูลร่มไม้นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ที่นั่นจนจนตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงที่บังเลยอย่างนั้นย่อมเป็นการเป็นเวลาการหนึ่งเข้าสู่ร่มไม้เข้าสู่ชายเขา เข้าสู่ถ้ำหรือเข้าสู่ที่มุงที่บงังตามการตามเวลาแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนาในอิยาบทนั้นๆ น, น, นี่ท่านเรียกว่าเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาเป็นสถานที่ไม่พุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนและสิ่งก่อกวัทั้งหลายมีผัดมีเปลี่ยนสถานที่นั่นทนี่นี่นั่น ท่านเรียวกว่าเที่ยวกรรมาฐานเพื่อทํางานด้วยความสะดวกของจิตตภาวนาของเรานั่นไม่ใช่ว่าลูกขมูลตั้งแต่บรรบวตมาให้อยู่ตลอดชีวิตที่ท่านว่าให้อุตส่าห์พยายามหยุดปฏิบัติไปตลอดชีวิตนั้นก็คือเข้าเข้ า, ขาออกออกเข้าร่มไม้ชายคาเข้าลุกขมูลล่มไม้เข้าในป่าในเขา ให้ผัดเปลี่ยนกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนา น, นี้ตลอดชี้เถิดความหมายว่าอย่างนั้นอย่าได้เข้าไปพุกงพลานวุ่นวายกับสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาหรือส่งเสริมกิเลสตัณหาประเภทต่างๆให้มากมูลขึ้นในใจจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมากไม่สมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสออกจากใจนะั่ท่านหมายอย่างนี้พาคันเข้าใจเอาไว้ แล้วพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นพึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะปฏิบัติตามอ่าเช่นลุกขมูลพระพุทธเจ้าก็เคยบำเพ็ญมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยเพราะสถานที่เหล่านี้มาแล้วจึงต้องแสดงสถานที่เหล่านี้อย่างเปิดเผยประจำพระโอวาทหรือศาสนาของพระองค์ไม่ทรงละเว้นเลยนะพอบวชเข้ามาก็บอกเลยทันที บอกสถานที่เหมาะสมกับการทำงานของเราคือกรรมาฐานเหล่านี้ใจเมื่อได้อบรมอยู่เสมอบำรุงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เสมอไม่มีสิ่งเข้ามาก่อกวนรบกวนบีบบังคับอยู่ื่อเรื่อยมีแต่ฝ่ายดีส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับลาดาทำที่เหมือนกับว่าอยู่ ฝากฟ้าแดนดินเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อทำประเภทนี้ปรากฏขึ้นที่ใจความสงบเย็นคือจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินี้ปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใช่ปรากฏขึ้นที่ฝากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็ทราบเองปัญญาก็เหมือนกันเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยแตกแขนงออกไปในการอันควรที่เราพาพิจารณา แลปัญญานี้เป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวในวงพระศาสนาปัญญาเป็นสําคัญที่จะฟาดฟันหันแดดกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือปัญญาไปได้เลยพระพุทธเจ้าเขาตรัสรู้ด้วยปัญญาเป็นต้นกันเป็นดาบอันคมกร้าที่สุดเลยปัญญาเราจะเห็นได้เวลาปัญญาที่คลั่งตัวกําหนดไปถึงจุดไหนจะพังไปเลยกิเลสพังไปพังไปเลยอืไม่ไม่มีที่จะอยู่ได้ นี่คือความแก่กล้าสามารถดึกคลั่งตัวของปัญญาจึงเป็นเหมือนกับว่าดาบอันคมกล้าที่สุดปัญญาก็มีหลายประเภทแต่ลุณนวิปัฒนานั่นท่านบอกปัญญาเพื่อความเห็นแจ้งอย่างอ่อนๆไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา <c oughs> เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วยังไรก็ไม่มีอะไร คัดค้านต้านทานได้ขึ้นชื่อว่าฆ่าสุกคือกิเลสแล้วจะต้องพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนับวันพังไปพังไ ป, ไปหมดไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจด้วยปัญญาประเภทเหล่านี้นี่เป็นธรรมะเป็นพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้อย่าง ส, สดสด ร, ร้อนร้อนพระหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าเราประทานพระโอวาท ด, ด้วยบทธรรมเหล่านี้ อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนกังวานอยู่ภายในจิตใจของผู้ฟังโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติของตนไม่ได้ทาเหล่านี้อยู่ห่างอยู่ไกลาจากพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าไปปริพัน์อยู่ทางอินเดียทําเหล่านี้อยู่ตามกัมพีอยู่ตามความจดจําเพียงเท่านั้นแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาสก็ ปริญิพผานไปแล้วแล้วอยู่ไกลด้วยปริญญาผ่านอยู่เมืองอินเดียนุ่นด้วยล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความสําคัญผิดทั้งนั้นออืรูปคําลมๆแรงๆแต่หาความจริงไม่ได้ความจริงอย่างแท้จริงคืออะไรท่านสอนว่าอย่างไร <c oughs> นั่นถ้าว่าท่านสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งประธานพระโอาวาทบทนั้นบทนั้นบทนั้ น, น, นอยู่ต่อหน้าต่อตาข <c oughs> องเรานั่นแหละ ซึงเข้ากันได้กับที่ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเรานี้ผ่านไปแล้วนะให้พึงพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเท่ากับเคารพาศาสดานะและให้พยายามเดินตามพระว اث ทั้งสองประเภทคือพระธรรมพระวินัยอย่าให้คาดเคลื่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโทษให้ พยายามระมัดระวังเช่นกับเสือร้ายตัวหนึ่ง ห, หรือไฟมันจะเผาไหม้ได้จริงๆไม่สงสัยถ้าประมาทเสือร้ายก็เหมือนกันนี่กิเลสแต่ละประเภทประเภทเท่ากับเสือร้ายด้วยเสือร้ายยังเป็นการเป็นเวลาที่บีบบี้ยีไฟลึกทำอันตรายแก่คน <c oughs> แต่กิเลสนี้มันมีอยู่เป็นประจําตลอดเวลาและกล่อมสั่นโลกได้อย่างสนิทปิดหูปิดตา ไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยก็เพราะกิเลสนี่หยเป็นตัวที่แหลมขมมากจึงแก้กันได้ยากที่สุดด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องได้ใช้ความพินิษพิจารณาให้มากในการแก้หรือการถอดถอนกิเลส ย, ยาทาศักดิ์แต่ว่าทำยาสุ่มย่าเดาให้ตั้งบุกตั้งใจทําการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คําว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิเลสจีดขวางอยู่ในทางในการดําเนิน จึงต้องเน้นชำระซักฟอกกิเลสเข้าไปโดยลำดับนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมด้วยการชำระสิ่งโสกรปรกสมมทั้งหลายที่หุ้มห่ออยู่ภายใจิตใจไม่ให้มองเห็นธรรมได้ไปโดยลําดับลำดาบยังก็ทั่งจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบได้สงบได้มากได้น้อยเป็นลําดับลำดาแล้วเป็นต้นทุนหนุนศรัท ธ, ธาความเชื่อของเราให้ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความภาคเพียนก็จะหมุนมาตามตามกันมา เป็นเหมือนกับแม่เหล็กผลลอนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอุตสาพยายามทั้งหลายให้เดินตามหรือรวมกันเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจของเราที่นี่คําว่าสมาธิคําว่าสมาธินั้นหมายถึงกิจที่มีฐานเป็นของตัวเอง้ถ้ า, ถาจะแปลตามหลักนักปฏิบัติจริงๆที่รู้ที่เห็นเรื่องของความสงบและเรื่องของสมาธิแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ใครรู้ก็จะรู้เหมือนกันนี้เห็นก็เห็นเหมือนกันนี้ถ้าได้ปฏิบัติควรจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้น่ะนี่หลักใหญ่ตรงนี้คําว่าจิตเป็นสมาธินั่นหมายถึงจิตที่มีความสงบเข้าหลายครั้งหลายหนจนตั้งเป็นฐานข้างต้นขึ้นมาได้แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจแม้จิตจะคิดจะปรุงเรื่องอะไรอาไอยู่ก็าตามในขณะนั้นเรากําหนดลงดูจุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นความแน่นหนามั่นคงเป็นของตัวอยู่โดยลําพังนั่นเป็นปกติ นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบสงบตัวหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเข้าเป็นเป็นสมาธิแต่เวลาพูดแล้วก็พูดว่าทําสมาธิดึจจิตรวมว่เาเป็นสมาธิให้พึ่งคาความเข้าใจเอาไว้ว่าเป็นดังที่กล่าวมานี้ทีนี่คำว่าจิตออกก้าวทางด้านปัญญานั้นเวลาจิตที่สงบแนวอย่นั้นไม่ควรรบกวนนอกจากว่าจิตสงบก็ได้ ให้สงบอยู่เฉยก็ได้และมีการคิดอ่านใ่ตรองได้อยู่ก็ได้จะจะคิดอ่านใ่ตรองก็ได้ด้วยความสงบของจิดต <c oughs> นั้นอย่างนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเึงเวลาสับคือเปลี่ยนระยะกันไปกับสมาธิก็ได้ <c oughs> การพิจารณาทางด้านปัญญาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านนะเราอย่าปล่อยให้ว่าปัญญานี้จะเกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้ว เราอยากเข้าใจยอย่างนั้นนั่นถ้าหากเป็นท่านผู้เป็นคิด ป, ปาพิญญาที่รู้ได้เร็วนั้นมีทางเป็นไปได้แต่ผู้พวกผูกถูผวกไถ่ถทะเลอะปอกเปิบอย่างพวกเหล่านี้จะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยการถุดการากการทาทำงานบังคับให้ทำงานโดยทางปัญญาเคยถ้าจิตสงบก็สงบอยู่อย่างนั้น เราจะเห็นแต่ความสบายในความสงบเห็นความแปลกประลาดอาจจัศจรรย์อยู่เพียงความสงบเพราะไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่า น, นั้นจึงไม่สนใจความจริงเรื่องของปัญญาในเป็นทางเดินก้าวเดินที่จะให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดจิตอัอนละเอียดและเห็นกิเลสประเภทละเอียดค่ากิเลสประเภททุกประเภทไปโดยลําดับลําดาจากปัญญานี่มันใช่จากสมาธิสมาธิเป็นความสงบตัวเป็นต้นทุน กิดไม่พุ่งสร้างกิดอิ่มตัวอไม่คิดนู่นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยความหิวโหวยในอารมณ์ทั้งหลาย ม, มีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่เป็นผลอันหนึง่งเมื่อมีผลอันนี้แล้วก็เท่ากับเรามีต้นทุนเอาที่นี่พาคิดอ่านแต่จรทางด้านปัญญาแล้วเมื่อจิตค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คากันออกไปเดยลาดับลําดาจ้อนจิตเห็นคุณค่าของปัญญา ว่าได้เข้าใจกิเลสประเภทนั้นเข้าใจประเภทนี้และได้เข้าใจอาการแห่งร่างกายทั้งหลายส่วนนั้นส่วนนี้เข้าใจเรื่องเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปโดยลําดับแล้วย่อมจะลุกลามไปเรื่อยๆทิ้งทั้งส่วนร่างกายคือรูปประคันทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามขันจิตใจเรื่องของปัญญาจะค่อยกระจายตัวไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อย แล้วจะปลุกสติปัญญาให้มีความตื่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเพราะเห็นผลเป็นพยานภายในจิตใ จ, จยอยู่แล้วนี่หละที่นี่จิต จ, จะค่อยก้าวขยายตัวออจากสมาธิเป็นปัญญาในการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้ที่ให้ถูกต้องดีงามเหมาะสมราบรื่นนะ ในขณะที่จิตสงบเราอย่าไปกังบลกับการพิจารณาทางด้านปัญญาใดาๆทั้งสิ้นให้พยายามทําความสงบจิตให้ได้มีหน้าที่ที่จะทําสมถะทำให้ปรากฏสมถะธรรมก็คือความสงบของใจนั่นเองเมื่อปรากฏแล้วก็อยู่นั้นทักตัวให้สบายเย็นอยู่นั้นพอถอยออกมาจากนั้นจิตย่อมมีความอิ่มตัวในการอยู่สงบของตนแล้วออกเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละขณะที่จิตจะออกเที่ยว อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นนนี้นั่นแหละนําปัญญาเข้าไปหรือหรือว่าใส่กิจนี้เข้าไปสู่ทางด้านปัญญาให้พิจารณาพาทํางานอะจะทํางานอะไรอืเพราะในโลกธารมนี้มีแต่แต่เรื่องเป็นทางเดินของปัญญาทางนั้นเป็นหินรับปัญญาทางนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในรูปของเราทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดในร่างกายนี้ก็เป็นหินรับปัญญาทางนั้นเป็นทางเดินทางก้าวเดินเพื่อปัญญา อันคมกา้าเอาจะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่ารูปใดช น, ชนิดใดเสียงใด่ะตลอดถึงสัตว์ถึงบุคคลใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาที่เตรียมพร้อมเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเข้าใจเพื่อละเพื่อถอนอยู่แล้วย่อมจะรู้จะเข้าใจจะละจะถอดถอนไปโดถอดถอนไปโดยลำดับกันดา่างนี่แหละปัญญาอืปัญญาเริ่มก้าวๆอย่างนี้ แล้วมองไปไหนมันมีแต่เรื่องของปัญญาที่จะทํางานมีแต่ที่จะก้าวเดินของปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพราะเวลาติดมันติดหมดจิตใจเราอยากเข้าใจว่าติดเฉพาะกายเฉพาะจิตตัวเองเท่านั้นอแยกออกไปทางไหนมันติดมันติดติดไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณามันดึงกระเทือนไปหมดเลยดูไม่ได้ถึงขั้นปัญญาที่จะกระเทือนโลกแล้วต้องเหมือนกับไฟได้ชือ้อะลุกลามไปเรื่อยเรื่อยเรื ย, รยมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์แม้แต่ไม่มี ก็ตสาะแสลงหาเหตุหาผลเลื่อยไปจนกระทั่งได้เรื่องได้ราวได้เหตุได้ผลแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเรื่องของปัญญาเห็นไหมที่ปัญญาที่เป็นที่แน่นอนต่อความตรัสรู้อา่าหุ่นง่ายๆมันเต็มแม่เต็มหน่อยเลยอือทําพุทธเจ้ามันจะเป็นของโกหกโลกจะมาปิดมาบังไว้ทําไมเอาให้เห็นจริงกิธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมเปิดเผยอา่ามันควรจะได้ตรัสรู้หรือควรจะได้บรรลุธรรม ด้วยทำประเภทใดนี่ขั้นที่เป็นความมั่นใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือขั้นของปัญญาเริ่มออกก้าวเดินนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วจนกระทั่งปัญญาออกก้าวเดินโดยลําพังตนเองแล้วนี่แหละท่านว่าเป็นภาวนามายปัญญา <c oughs> ปัญญาประเภทนี้เลยสร้างความแน่ใจให้แก่เจ้าของสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของว่าอย่างไรก็จะหลุดพ้นแน่ แ, นและอย่างไรก็ต้องไม่มีเหลือกิเลส เพราะมันทราบไปในลำดับตาดาของปัญญาที่ก้าเดินเพอก้าเดินไปไหนเข้าใจตรงนั้นตัดตรงนั้นขาดตรงนั้นไปเรื่อยๆด้วยหิตกระโล่งโล่งออกไปโล่งไ ป, ไปเรื่อยๆการตัดนี้ไม่ใช่อะไรนะมันเกี่ยวโยงอยู่กับหัวใจของเหล่านี้อวิชชาปัจญาสร้งางคาราเกี่ยวโยงออกไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแยกไปแยะสิ่งนั้ น, ส, น, นสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจและถอนเรื่องอวิชชามันก็ถอนตัวเข้ามาคือความหลงกัน ความสำคัญมั่นหมายมันหดตัวเข้ามาเพราะปัญญาไปตีต้นหรือฟาดปันหั่นแหลกมันมันก็ถอยเข้ามาตัวปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมเห็นปลอมยึดแบบปลอมๆเหมือนอย่างกิเลสมันพา ย, ยึดพาถือปัญญาเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันเป็นเครื่องประกาศกลังวลขึ้นพายในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความจัดความจริงเพราะฉะนั้นเวลารู้แล้วท่านทิงว่าจะถาผู้ตังลล้งยานราตรังรู้ไว้รู้และปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนั่นเนื้อราแปะออกเป็นอย่างนั้น เมื่อรู้สิงได้แล้วจิตย่อมปล่อยวางปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามเป็นจิแล้วหดตัวเข้ามาอะไรพิจารณาไปไหนจิตไม่ขัดไม่คล้องคาบสะบั้นไปหมดตัดชัดว่าจิตนี้ได้ตัดขาดมาโดยลําดั บ, ดบแล้วนั่นปัญญาขั้นนี้เป็นเย่นนั้นใครยังไม่เคยเป็นก็าตามขอให้เป็นเถอะเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แน่ทีเดียวไม่ได้เหมือนอื่นเลยเพราะวา่าทุกบททุกบดัดจะเขารบที่สุดเคารบเหมือน ก, นกันกับเขารบพระพุทธเจ้า ที่ประทับอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละเพราะสดสดร้อนร้อนอันนี้แหละทำอันนี้เดาจะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกในวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีหรือวันไหนเดือนใดก็ดีขณะใดก็ดีไม่ใช่ทำอื่นไม่ใช่สิ่งใดในโลกยิ่งทั้งหลายจะมีเต็มโล ก, กะท่าก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกมีพระโอวาทที่ถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวรรค์ขขและทำนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านดึงเคารพมากที่สุดเลยนะผลที่สุดสติติดแนบก่ยกับตัวก็เหมือนองค์ศาศราอยู่ ก, กับตัวปัญญาหมุน ตัวเป็นกงจักรคือเป็นธรรมจักรสุภณาตัวจึงเป็นเหมือนกับสัตดาเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกช่วยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเหนือไปจากสัจธรรมนี้ไม่ได้อันนี้จึงเป็นธรรมที่ใหญ่โตมากที่สุดนี่ลหละสัจธรรมทั้งสีคืออะไรทุกข์ทมุไัยนิโรธมรรนี่เวลาจิตก้าวก็ไปสู่ปัญญาขั้นภาวนามยะปัญญาแล้วจะไม่หนีจาก หลักปัจจธรรมทั้งสีนี้เลยถือปัจจธรรมทั้งสีนี้เป็นสนามรบสงครามฟาดฟันหันแหละกันอย่างนั้นถ้าต์อวิชเรื่องทุกข์กับสมุทยัยไม่เห็นไม่ถือว่ามันเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ถือเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับมรรคกับนิโรดนั่นแหละเวลาเข้าถึงกันจริงๆแล้วต่างอันต่างจริงเลยไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกเพราะทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นหนักจิตผู้ที่นอกเหนือจากทุกข์มี ผู้ที่จะรู้ทุกเป็นของจริงอันหนึ่งจิตคือจิตจิตเป็นผู้รู้มีหนักสมุทัยก็เป็นธรรมาชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นไปเมื่อมีสิ่งที่เสริมมันก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกับโพงโพงขึ้นเช่นเดียวกับไฟไฟมันมีความหมายกับมันอะไรบ้างแต่ใสฟืนเข้าไปสิเอาเชื้อใสเข้าไปสิมันจะแสดงเปลวขึ้นขนาดไหนมากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละสมุทัยมันก็เป็นอยางนั้นแล้วเราจะแล้วไอไฟนั้นมันรู้ความหมายของมันใหม่ มันไม่รู้ความหมายมันสมุทไทยก็เหมือนกันเวลาเข้าถึงกันแล้วมันไม่รู้ความหมายของมันแ่ะเรื่องของสติปัญญาเราตั้งหากที่จะแต่ก่อนยังไม่มีสติปัญญามันสมุทไทยนั้นมันจึงเป็นตัวภัยอย่างยิ่งทั้งๆที่มันไม่ได้ว่ามันเป็นตัวภัยต่อใครแต่มันก็เผาได้เช่นเดียวกับไฟนั่นแหละนี้พอสติปัญญาอย่างเขาทราบถึงหลักความจริงทั้งสองอย่างนี้ด้วยมรรคสัตว์ได้แก่สติปัญญาเป็นต้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนัทะลุ ไปหมดหรือว่าจะมาดับสมูทายขาดสะบั้นลงไปก็ถูกก็เหมือนกับไฟที่เอาเชื้อออกหมดแล้วมันจะลุกลามไปไหนนอกจากมันดับดงให้เห็นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันปัญญาเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้สาิกฟืน ส, สายไฟสายเชื้อออกนี่พูดง่ายง่ายแล้วสมูทายมันจะต่อไปที่ไหน ต, ต, ตรงไหนเป็นที่เกิดของสมูทายมันก็ฟาดลงตรงนั้นอีกขาดสะบั้นไปอีกแล้วฐานไหนเป็นฐานของสมูทายอีกต่อไปไม่มี ถูกทำลายแล้วด้วยมรรคมีมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นสำคัญ น, นี่แหละพังกันลงที่ตรงนี้นแล้วประกาศกังวานขึ้นภายใน จ, ใจิตใจว่าทุกนี้ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลย น, น, นั่นทนว่านโรธนโรจคือความดับทุกข์เพราะอำนาจแห่งมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารสมุทไทยให้ขาดสะบันลงไปก็เท่ากับสังหารทุกข์ให้ขาดสะบัด่นลงไปในขณะเดียวกัน แล้วนอกจากทำสี่อย่างนี้คือทุกสมุทัยรดมากนี้แล้วคืออะไรนั่นละ่ะธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอันหนึ่งสงหาที่เล็ดลอดออกมาจากสัจธรรมทั้งสีเป็นผู้กั่นรรองให้เรียบร้อยบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหะพระพุทธเจ้าขึ้นตรงนี้พระสาวกอร ห, รหรนันอรหันตลายๆขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้วองค์ไหนจะไปคัดค้านพระุทธเจ้าเมื่อตนก็ผุดขึ้นมาตรงนี้ โทรขึ้นมาตรงนี้โดยความรู้สึกแต่ก่อนถูกสิ่งนี้พ่มหอ่อมีทุกสมาดไทยเป็นน้ำขันพุ่มหอ่อปัญญานอนตาอยู่จมอยู่นั้นไม่มีทางออกและไม่ไม่รู้สึกการฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อสังหารสมุดไทยเลยแต่ตอนเมื่อเราได้รับการอบรมอยู่ตลอดเวลาแล้วย่อมมีกําลังแก่กล้าสา ม, มารถสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เอา้าสมาดไทยซึ่งท่านบอกว่าเป็นค่าศึกข้าศึกไม่เคยรู้ มันก็รู้มันก็รู้กันละกันได้โดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมดเอาที่นี้มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันไหมแม้ที่สุดในสัจธรรมทั้งสีนี้มีอะไรมาต่อกันกับจิตมีไหมไม่มีเลยนักเห็นไหมทุกท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เพื่อจะสาวหาเหตุคือสมุทัยสมุทัยพึงละการละสมุทัยละด้วยอะไรนั่นมันก็วิ่งไปถึงมาละด้วยสติ ละด้วยสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพีย่ยนนี่เป็นจิ่งควนละและนิโรธเป็นธรรมที่ทําให้แจ้งจะทําให้แจ้งด้วยเหตุผลกุญแจอะไรก็ด้วยสมุทัยเอาด้วยมากนี่เองจะทํำนิโรธให้แจ้งมากเป็นผู้ดับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุทยัยราบลงไปหมดแล้วทุกข์จะเอาอะไรมาเกิดก็เห็นขาดสะบั้นลงไปด้วยกันมากที่เคยทําหน้าที่เป็นเหมือนธรรมาจาักหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำวิยบทยืเนเดินนั่งนอนนั้นระงับตัวลงไป ทุก็ดับเพียงเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรมาดับอีกเท่านั้ น, น, นแล้วสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปเพราะอํานาจของมากคืออะไระนั่นแหละท่านว่าทาเป็นธรรมประเภทหนึ่งจากสัจธรรมทั้งสีนี้นัน่นท่านเรียกว่าธรรมบริสุทธิ์ธรรมประเสรศิฐพระพุทธเจ้าประเสริฐ ด, ด้วยธรรมชาติหนึ่งถ้าสาวกอรหันหันทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นจะเป็นล้านล้านองค์ก็ตามออกจากสัจธรรมทั้งสีนี้ แล้วท่านทําไมท่านจะค้านกันอืปฏิเสธกันได้ลงคอละ่ะว่าพระพุทธเจ้ า, าไม่มีอะก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ในองค์ศาสนามซึ่งเราครองอยู่เวลานี้นะแเราปฏิเสธพระพุทธเจ้ า, าได้ยังไงว่าไม่มีมเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้ า, าองค์นี้ตัดสิริยะทำไมองค์นั้นแต่ัดสรูปไม่ได้อืมองค์นั้นทำไมจะตัดสรูปไม่ได้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ทําไมจริงๆจึงมีจํานวนมากขึ้นโดยอันับเป็นถึงเป็นล้านล้านล้านล้านหลักท่านฟังสิเพราะมีขึ้นได้ด้วยเหตุผลกลไกลนี้ทําไมจะมีไม่ได้ เช่นอย่างองค์ก่อนก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์นี้ก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์หน้าไปต่อไปอนาคตก็จะมีได้ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วเหตุใดบุริยเจ้าจะสูญจากโลกไปได้หรอก็เมื่อมันเห็นจะชัดประจักษ์กันอยู่กับหัวใจของเราผู้รู้ผู้เห็นชัดจะทําทั้งสีรอบหัวใจจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ในตัวแล้วฮักธรรมชาติที่คัดข้านตัวไม่ได้แล้วจะคัดค้านพระเจ้าได้ยังไงซึ่งเป็นครูเอกอยู่แล้วนั่นนั่นเพียงพินาศทีแล้วสาวกอรหารหันท่านไปจากไหน ดูตัวจิดตดวงนี้แล้วพอเลยพอเลยพอเลยยอมรับกราบราบนั่นนี่แหละทำบูชาสวดร้อนๆอย่างนี้เจองได้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงนี้แล้วเอ้ามันจะเสียดายอะไรอะไรบ้างในของในโลกนี่ทั้งสามแดนโลกธาตุนี่เพราะเราเคยกอดเคยแบกเคยหามกองทุกข์ทั้งหลายเพรา ะ, อ, ะอยู่ในวงแดนโลกธาตุและแบกหามอุปทานความยิ่งมันถือมันในสิ่งหลายมา น, นี่นานแสนนานมากแสนมากสิ่งได้ที่เราไม่เคยยึดมีเลย อนอกจากมันลืมไปเท่านั้นเองสถานที่ใดที่เราไม่เคยเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละเอี่ยนาโลกอันลุมไหนที่เราจะไม่เคยเกิดอสวรรค์ชั้นไหนที่เราไม่เคยเกิดนอกจากพรมโลกหาชั้นแในพันธุ์ผ่านเท่านั้นดังนั้นมันเคยไปเคยขึ้นเคยลงเคยตกเหวตกบ่อมามากต่อมากแล้วในจิตดวงเดียวนี่อะมันมากต่อมากึฉันเคยพูดว่าเหมือนกอไผ่มันรากมันหนานันนี่กอไผ่ก็คือจิตทังเหล่านี้รากมันหนาก็คือความเกิดของมันนั่นแหละมันเกิดไม่อยู่ไม่ถอยที่นานนัน ที่นี้มันทำไมมันจะไม่รู้ล่ะออืเมื่อมันขาดสะ บ, บั้นหมดที่นี้ไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วชัดเจนแล้วไปไหนอีกที่มันก็รู้จะชัดไม่มีแบบไม่มีที่ว่าจะไปหรือว่าจะมามไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพบชาติจะหมายตรงไหนมันไม่ติดอะไรแล้วจะเอาอะไรไปติดจะเอาอะไรไปหมายมันจะไปเกิดไปที่ตรงไหนมันชัดอยู่ประ จ, กจกักษ์ใจท่านมาสันทิติโกทันนิโกชาติดหมาที่นี่นั่น ลงประกาศกั้งวันอยู่ในนี้แล้วทําไมจะไม่ยอมรับภูมิชาญญาทั้งหลายล่ะนั่นนี่แหละหลักอันสําคัญยิ่งอยากให้หมู่เพื่อนเนี่ยปฏิบัติให้รู้ให้เห็นดูที่มันจะเสียดายอะไรในโลกอันนี้นั่นเป็นดินนี้เป็นน้า น, นั้นเป็นลมนี้เป็นไปเราเหยียบเราย่ำเาแม้แต่อยู่ในร่างกายเรามี่แต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความมิจฉาทิศอะไรบีบบังคับขืนเวลาอนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมันจึงได้แบกได้หามมันตลอดเวลาเราเรายังไม่เห็นไม่หลาบอีกหรือการหลุดพ้นจากทุก การหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วเอ้ายังจะมาแบกทุกข์แบกอะไรทุกข์กับอะไรพิจารณาพี่เราแบกเราหามอะไรยึดมั่นอะไรมันทุกข์กับผิ่นั้นฉะนั้นเราเห็นชัดๆที่นี้เวลามันถอนตัวออกไปหมดแล้วมันจะทุกข์กับอะไรดูสิแม้แต่ธาตุขันภายในตัวของเรานี้ก็บอกว่าทุกข์ทุกมันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นดังที่พิจารณาสัจธรรมเพราะอันนี้มันเป็นสัจธรรมมันอยู่แล้วจะสักแต่ว่าสักแต่ว่าฉะนั้ะล่ ที่จะไปยึดสิ่งนี้ว่ามาเป็นตัวของตัวพอที่จะให้ไฟอุปทานของมันถือมันมาเผาเราไม่มีเอาทําไปเถอะผู้ปฏิบัติจะได้เห็นในตัวเองไม่ต้องไปถามแม้สาธุพูดแล้วไม่โดยประมาทพระพุทธเจ้า จ, จะประทับอยู่กงหน้านี้ก็ตามจะไม่ทูลถามเพราะเป็นอันเดียวกันนี่นอกจากจะกล่าววาโอ้แต่ก่อนค้าพวงหลับตาอยู่ไม่เห็นคราวนี้เห็นแล้วไม่ทูลถามพระ อ, องค์แหละนอกจากจะว่าเท่านั้นมาอย่างนี้ว่าอะไจริ ง, รงที่นี้ไม่ทูลถามเหมือนอย่างพระนันทะ พระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวอืมเห็นไ่มในหนังสือประวัตินะในหนังสือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมและพระนันท์เอาพระนันท์ไปบวชน่นพระนันท์กําลังจะแต่งงานอยู่แล้วนั่นเราพูดจะย่ออย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวนะเมื่อเวลาพระองค์ได้ฝึกฝนธรมานพระนันทะเพราะพระองค์เป็นผู้ทราบอุปนิสัยของพระนันทะโดยสมบูรณ์แล้วว่าจะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอน จึงต้องแยกออกจากสิ่งนั้นออกมาถึงจะเสียดายก็ตามเสียดายขนาดไหนก็ตามรักขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเคยรักเคยชังเคยเสียดายมาแล้วขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนเนี่ยพูดง่ายๆว่าพ ร, พ, พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดแล้วและทำเหล่านี้พระนันทาเคยทราบแล้วเดือยซึ่งเป็นของวิเศษนี้เพราะฉะนั้นจึงแยกพระนันทาออกมาจากความรักความซาบใจในหญิงรเรียกอะไรนะที่ว่ากรณียาณีที่ว่ า, า, วางามในโลก ผมลืมไปแล้วล่ะถ้าพูดเร็วๆอย่างนี้มันไม่ทันนั่นงามขนาดไหนรักชอบขนาดไหนทั้งๆที่จะแต่งงานกันอยู่ในสดสร้อนๆในขนาดนั้นพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันพาโลกพาสงสารพาใครให้มิเศษที่ไหนมันก็คือเรื่องของจมในวัฏฏะนั่นเองส่วนที่จะพรากพานันทะออกไปบวชเพื่อสลัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจถึงประนิพพานสดสดตอนร้อนทั้งเป็นทั้งตายนี่เป็นของอันเป็นของวิเศษมากนี่มันวิเศษยิ่ง กว่านั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่อะไรเสียดายแม้พระนันทาจะคิดถึงนางชนบทกัญญานีมากเพียงไรก็ตามนางชนบทกรรัญญาณีร้องตามขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่นลนล า, านีน้เป็นเรื่องของกิเลสลํารีลํำไรเป็นรักเสียดายอะไรอาวรต่อกันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของวิเศษิโสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อะไรเสียดายจึงไม่สนพระไัยกับผิว น, นี้นอกจากที่จ ะ, ะให้พระให้นันทะนัา พระพระนัน t h ที่เป็นน้องอาภาษาตลาดเราเรียกว่าน้องชายพระอนุชานะได้สลัดปัดทิ้งจริงวันนี้เพื่อความบุญพ้นโดยถายเดียวอันเป็นของวิเศษเท่านั้นเพราะองค์ไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษจึงต้องยอมพระองค์ลงเพื่อทําบทตรธรรมาชาติอันนี้แก่พระนัน tha แล้วเป็นผู้รับรองอยืนยันพระนันะเอาเถอะนัน tha จะพาปฏิบัติเราจะพาไปเห็นของดีเอาของดียิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้ แล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารหลายด้านหลายทางเอาไปดูลิงแล้วเป็นยังไงลิงแล้วแสดงเป็นเทวบุตรเะพาไปดูหมดมีแต่ผู้เสวยงดงามแล้วดูนางเชนบุกรกัญยาดีเป็นอะเหมือนกับลิงตัวนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นในโลกนี้ความดีๆมีแต่ความเสรจ็สเจ็บ ส, น ส, นสนันั้นความฝันทั้งเป็มทัางนั้นอันนี้ไม่ฝันนี่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่พระเสด็จนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรอง อ่าพระนันทะให้ไปบวชจนกระทั่งพระนันทะได้บรรลุธรรมเต็มสัตว์เต็มส่วนเต็มหัวใจเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วจึงมา ท, ที่นี้ข้าพระองค์ได้ปล่อยจากพ ร, พระพุทธเจ้าแล้วในการที่จะเป็นผู้ยืนยันรับรองตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพระองค์ไม่ได้เกาะได้เกี่ยวข้าพระองค์ไม่ได้ให้เป็นตัวประกรันอีกแล้วนั่นเป็นคําเป็นพระวาจาหรือเป็นวาจาของพระนันท h ซึ่งเป็นพระอนิชาของผู้เจ้านั่นเห็นไหมที่นี่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมอันสุดยอดแล้วแล้วยังคิดถึงกัณยานีอยู่ไหมตั้งชวนบทกัณฑาณีอยู่ไหมพี่นาที่นี่แหละทำของเลือดของประเสริฐเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคําว่าจะจะให้ใครรับรองจะให้ใครยืนยันจะให้ใครเป็นพยานแม้ศาสดาองค์เอกก็อย่างภาษาริบุตรที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่แหละแล้วก็พระ น, นันทานอีกเป็นตักีพยานอีกอันหนึง่งก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย เพราะเป็นถ้าว่าเราจะเทียบเป็นสมมุติแล้วก็เป็นตัวทังตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่ไม่หวังอะไรที่จะพึ่งไม่มีอะไรบกคล้องที่จะพึ่งที่จะมาเพิ่มเติมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็หมดทางที่จะไปที่จะมาที่จะเพิ่มเติมมาอีกเพราะถึงเมืองพอแล้วภารจิตใจนี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์เต็มที่แห่งใจดวงนี้ ที่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอะไรจะหนาแน่นมากมาขนาดไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกาะ เ, เรื่องเรียก ว, ว่ากิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้เห็นพระสวดร้อนในโอวัลคําสองขุนเจ้าแล้วให้เข้ารบตั้งใจเพื่อปฏิบัติพระองค์สอนตรงไหนให้ถือเหมือนพระองค์ชี้บอกเหีืยวนี้เดี๋ยวนี้นะพระสวดร้อนเนี่ยพระโอวาลเนี่ยไม่ได้ห่างไกลเลยไม่ได้เป็นเรียก ว, ว่าอการริกอาการริกเห็นไหมในธรรมอือาการริกธระม มีมีตลอดเวลาความจริงทั้งหลายที่ใจะให้ดูเห็นมีตลอดเวลาเอาเธอพิจารณาไปต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเสียเท่านั้นมาบีบบังคับหรือมาปิดหูปิดตาเสียว่าทําก็เลยกลายเป็นของคือ ข, ของลาสมัยไปเสียีิเียสตัวมเหม็นเหมือนมูดเหมือนขูดได้กลายเป็นของทันสมัยไปเสีย น, นันขี้โรคขี้กรดขี้หลมจะไม่เรียกว่าขี้อะไรน้ำมันกระทันสมัยให็นไหมทุกวันนี้มันทันสมัยไหมมันล้ําสมัยไปสิน่นดูที่ คนในโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมีความตู่ความทุกข์ความเดือดร้อนมากมาขนาดไหนทั้งๆที่เรียนมาจนกระ ท, ทั่งถึงกคำพีแตกอกจะแตกมันเข้าใจตัวเองสําคัญตัวเองว่ารู้มากจนกระทั่งพุงมันจะแตกแล้วความทุกข์มันก็จนจะร่างมันจะแตกทั้งเป็นเห็นไหมละ่ะนั่นมันเอาความรู้มาจากไหนนั่นแบบความรู้ของกิเลสมันบรรจุเข้าในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายจะเกิดความสัมพันธขึ้นเป็นชั้นที่สองว่าเรารู้เราแบบเวลาเราจะตายด้วยความทุกข์เพราะกิเลส บ, บีบบังคับนี่เราไม่เห็นรู้วะ่ะนั่น แต่เ่อของธรรมนี่เอากิเลสจะออกมาทางไหนมาเถอะถ้าลงได้ถึงขั้นนี้ขั้นที่ว่าบีมูดหลุดพ้นอยู่แล้วมันจะออกแง่ไหนในหัวใจของเจ้าของมันหมดแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันจะออกแง่ใดของบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดมันรู้ทันทีนนสิเพราะเคยได้ฟัดได้เหวี่ยงกันมาพอแล้วนี่เพราะนั่นจึงว่าธรรมเหนือโลกโลกรุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมันเหนืออย่างนี้เองเหนือกิเลสที่เองกิเลสเป็นโลกล้วนๆธรรมเป็นธรรมล้วนๆรู้หมดทันหมดเลยนะมีาการปฏิบัติธรรมกําลังไม่จะล้มเหลวไปแล้วนานเดียวนี้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ร่วงไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เขารลนับถือก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปและจีดไปจีดไปจีดไปในสิ่งที่ดีทั้งหลายจีดไปจีดไปในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้วเข้มข้นเข้ามาเข้มข้นเข้ามาปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเรื่อยดื่มดำเข้าไปเรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเข่านั้นเวลานี้มันจะเป็นกรรมฐานเป็นบ้านะอันนี้ที่พี่ตกกิจาจย์มากทีเดียวมันจะเป็นกรรมฐานธรรมสมัยแล้วก็เอาชื่อครูบาอาจารย์ไปจาหน่ายขายกินน่ะเฉพาะอย่างยิ่งก็ ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นสายท่านอาจารย์มั่นเนี่ยสำคัญมากนะนี่แหละที่ขายกินของพระโจรครูรา่ายในวงปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่ากรรมฐานนี่จะดีไปทุกๆทุกหนมันไม่ดีนะอืที่ดีมีน้อยที่ชั่วเร็วสามีมากนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้ทําความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระประเภทไหนประเภทลูกศิษย์มีครูจริงหรือประเทศแบบประเภทแวกแนวอวดตัวดีเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังไป่งนันมีแล้วนะเวลานี้ ในกรุงเทพนี่ก็มีเลยอ่ะพวกทางไปจากทางภาคอีสานนี่แหละเราวิ ว, วิจารณเพรา ะ, ะนั้นเราจึงได้เข้าไปมูนิธีของหลวงปู่มั่นนั่นซึ่งเป็นสมบัติของวัดป่าบรรตากแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามูนิธีนี้เป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตากโดยสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมายเราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยไปมาแล้วก็ฟังไปฟังมาแล้วฟังเสียง ม, มันมีมักจะมีผลลบขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นผลลบขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไงกันนี่เพราะเราเป็นเจ้าของนี่เราก็เข้าไปทั้งที พอเข้าไปก็ทราบเรื่องทราบแล้วก็ใส่กันเตี้ยงเลยสถานที่นี่เป็นสถานที่สำหรับพระป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเข้ามาพักผ่อนดย่อนตัวเป็นเวลล์่าเวลาก่อนที่จะเข้าไปติดต่อกับหมอและคลินิกตลอดดึงลงท ง, งพยาบาลให้ได้มาพักนี่สะดวกสบายตั้งหากหนาแล้วครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความเป็นอดเป็นธรรมเพื่อจะแนะนำต่างๆประชาชนเป็นการเป็นข่าวตั้งหากหนาไม่ใช่มาให้พวกกรรมฐ า, า, า, านขี้หมูขี้หมาเหล่านี้มาปรากฏในเทศบาลหเทศบาลสองหนึ่งเทพนิลา เอาขนาดนั้นน้ำวันอมแล้วก็ได้ทราบเอาให้ทราบซะด้วยว่าสมบัติอมูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาไทายจะมาทําให้เลอะเทอะหนักนี่ยังจะหนักกว่านั้นอีกนะถ้ายังเป็นอีกลายังจะหนักกว่านี้จะได้เขียนประกาศไปติดป้างไว้เลยชื่อมหาบัวใส่ลงไป ป, งปึงเลยว่าเป็นอะไรไปเพราะเรารักษาความดีวไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปหมดนี่ยจะเป็นกรรมฐานจำหน่ายขายกินไปหมดนี่ ว, ว่างเลยนั้นทั้งทั้งที่กรุงเทพเขา มีความเคารพนับถือวงกรรมฐานของพ่อแม่ผู้จารมนนานเหานี้มากที่สุดแล้วจะไปขายที่หน้าก็เห็นเราไม่อยากเห็นแต่ว่าแต่เขาเลยใครจะอยากเห็นนี่แหละมันมีแต่วิจารณ์ตรงนี้นะนั่นเป็นแต่ไม่เป็นยังไงอสักโลภุสังขันติว่างไงลาบสักระสําหรับคนโง่แล้วติดเร็วที่สุดเลยใช่างไง น, นี่แหละแปลในภาคปฏิบัติถ้าแปลทางด้านปริยตัตสักโลภุสังขันติเน้ะลาบสักระย่อมฆ่าบุรุษที่โง่เขานั่นแปลทางปริยัติ แต่แปลทางด้านปฏิบัติก็อย่างที่ว่านเนี่ยทํามจะแปลมาได้แต่เอาความเอาอัดเอาทำเอาให้ถึงใจกิเลสเอาให้ถึงหัวกิเลสวาดหัวกิเลสออกไปด้วยกันเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี่คเราจะไปแปลแบบรู้รูปคำคำให้แปลด้วยรู้ด้วยเห็นจริงๆแล้วแปลออกมาพูดออกมาคือเหมือนอย่างเราเดินไปไหนก็ตามเราไปเราไปได้ยินเรื่องราวอะไรก็ตามคําบอกเล่าของคนที่มาบอกเล่าเรื่องนั้นตรงนี้กับคนที่เห็นจริงๆกันจังนั้นกิริยาท่าทางมันต่างกันมากเลยนะคนที่เห็นจริงๆนี่พูดจะเข้มข้น พูดอาจผานไม่มีสะทกสะทานเพราะไปเห็นมาเองนี่เหตุการณ์เห็นมาเองทุกทุกๆสิ่งทุกอย่างจะสงสัยที่ไหนพอที่จะรู้รูปคําำไม่เหมือนผู้ได้รับคําบอกเล่ามาผู้รับคําบอกเล่ามานี่พูดงูๆูป้าปาผิดบ้างถูกบ้างว่ากันไปนั่นถ้าพูดได้ไปเห็นเองจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้เห็นจริงๆเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมเราไม่ได้ประมาณนะการเรียนมาคือเรียนคําบอกเล่า ทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานหัวใจไม่เป็นนิพพานมีแต่กิเลสเต็มตัวจะไม่เรียกว่าคําบอกเล่าไงท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่าง น, น, นั้นนนะนี่เราก็จํามาจํามากิเลสเป็นอย่างนั้นตัณหาเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นให้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะนี่คือคําบอกเล่าตามคําสอนพระเจ้าที่ทรงสามารถทั้งทั้งที่ถูกต้องในการสุดแต่หัวใจเรามันผิดมันไม่ถูกมันก็มีคําบอกเล่ามันก็ผ่านไปผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่จะเข้าไป่่่่่าาาาาาากกกิิเเเเลออยยยยยูในนนนนจจจจตีีีีรรรทดํมป็ง้ ผมก็เรียนมาแต่ว่าไงไม่ใช่ผมประมาทปริยัติมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาอย่างนั้นดิการเรียนมาเรียนมามากขนาดไหนมันไม่ได้ค่ากิเลสตัวไหนตายเลยเลยนี่จะว่าไงเพราะเป็นคําบอกเล่าเราไม่สนใจที่ปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติให้หาเอานะนะคำหมายว่ า, างนั้นนะปริยัติเรียนมาแล้วนี่บอกที่แนวทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นี้นะเอมีแต่ความถูกต้องในงามจากสวขาธรรมทั้งนั้นนะที่สอนมาตอนนี้เนนี้นี่แหละคือว่าคําบอกเล่าบอกมาอย่างชัดเจนอย่างนี้นะ ให้ปฏิบัติตามนี่ให้ไปหาเอาที่นี่นะศีลให้ไปหาเอาสมาธิให้ไปหาเอาปัญญาให้ไปหาเอาวิมุตติลุดพจน์ให้ไปหาเอากิเลสฆ่าเอาเองนะพูดง่ายกิเลสตัวใดก็จะเห็นจากผู้ปฏิบัตินั่นแหะผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะเห็นกิเลสเป็นผู้จะฆ่ากิเลสผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะจะรู้จะเห็นสมาธิปัญญาทุกขั้นจนกรทั่งถึงมุตติพุทพจน์ไม่มีผู้อื่นใดที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วเอาไปหาเอานะมันความหมายว่าท่านว่าอย่างนั้นเพราะนั้นผู้เรียนแล้วท่านจึงบอกว่าปริิญาปฏบัติ เมื่อเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติคือให้ไปหาเอานะบอกวิธีการทุกถิ่อย่างเล่านะพอไปหาเอาเจออันไหนก็บอกว่าปฏิเวทาปฏิเวทาหรือปฏิเวสปฏิเวสเจอสมาธิก็เป็นปฏิเวสรู้แจ้งเห็นจริงในสมาธิเจอปัญญาก็เป็นปฏิเวสในปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาฆ่ากิเลสตัวใดชัดตาลงไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าได้ฆ่ากิเลสตัวนี้ตางไปแล้วจนกระทั่งทะลุบุปร่งถึงความบริสุทธิ์ดุดพ้นถึงปานิพานแล้วทําไมจะไม่เป็นปฏิวัติ ปฏิเวทธาตุดชบูร์จากการปฏิบัติเพราะการหาเอานี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากคําบอกเล่านั้นแหละนี่หลักมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงอยากให้ปฏิบัติมาเรียนเฉยมันด้เรื่องอะไรมีงแต่ชื่อของจิเลตจําได้เต็มพุงแต่มันก็เป็นความหมายอันหนึ่งให้กิเลตแทรกเข้าไปนั่นสําคัญว่าตัวรูปตัวฉลาดความจริงแปกกจิเลตความสาคัญมันมากมายหนักไม่มีใครหนักยิ่งกว่า น, นักปราชญาที่จดจํามาคําคําบอกเล่ามาทีนี้นเวลาปฏิบัติเราอยากจะทราบวันนี้เป็นข้อเท็จจียงกันเอาปฏิบัติสิ เมืม่อปฏิบัติแล้วแล้วกิเลสตัวไหนมันเป็นกิเลสมันก็รู้รูู้้จนมาทั่งถึงพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือถืออะไรที่นี่นั่นแล้วพูดที่สิ่นึ่จะพูดอะไรก็พูดสิไปเห็นมาเองไประลมาเองทําไมมันจะผิดไปทำไมมันจะไม่อาจฐานพูดที่ไปรู้เองเห็นเองด้วยหัวใจของตัวเองสติก็เป็นตัวของตัวเองปัญญาเป็นของตัวเองนักปณิธานเป็นของตัวเองดูถืออย่างเข็นอยู่ประจักษ์ใจนี่มันจ ะ, ะโชกสถานไปที่ไหนในการพูดในการเทศน์รศาสนาว่าการก็ดีด้วยกันอะไรก็ดีมันผิดกันกับคําบอกเล่าคำเล่าอย่างพวกเรา เนี <N> ่ยเรียนมาแล้วแฝงผิดผิดูกถูกแฝงแล้วกลัวจะผิดสัพทนั้นกลัวจะผิดสัพท์นี้ผ ม, มเคยเป็นมาแล้วนี่น่ะอกลัวจะผิดบทนั้นบาทนี้กลัวจะผิดธาตุนิพัตต์ใจบางอะไรอะไรแล้วกลัวจะผิดหัวกิเลสนั่นเองพูดอะไรเวลา จ, จะเอามันจริงๆริมันกลัวจะผิดนั่นผีนี่มันไม่ให้ลงแรงถ้าเป็นเรื่องจะฆ่ากิเลสแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราถูกกรอมจากกิเลสด้วยความเรียนมาจํามาที่ไม่สนใจปฏิบัติอ่ะนะทีนี้เอาทีนี้เอาไปปฏิบัติสีนั่นแหละทีนี้ให้ไปหาเอาไปดูพูดง่ายๆเทียมเหมือนนั่ง วัดป่าบ้นตาบเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพมาสายอุดรนี้มาแยกกันที่ตรงไหนนี่แผนที่ก็บอกมาบอกมาจนกระทั่งถึงสี่แยกบ้านโรงเคงเข้ามาสู่นี้บอกมาโดยลําดับนี่เป็นคําบอกเล่านะจากผู้ที่เห็นแล้วอืผู้ที่เล่าก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วประธานอว่าเอาไว้นี่ผู้ไปศึกษามานี่เป็นคําบอกเล่าหนระือนั้นเนี่ยได้เป็นคําบอกเล่าเพราะตัวเองยังไม่ได้นี่ก็ต้องเป็นคําบอกเล่าซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมาวัดป่าบ้นตาบถือแพรนั้นมาอ๋อ ดูไปนั้นมามาถึงนั้น แ, แยกแยกนั้นอย่างนั้นก็แยกเข้ามาแยกเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัดป่าบรรดาจริงๆแล้วสภาพที่ไม่บอกมีเยอะอะไรบ้างที่แผนที่ไม่บอกแบบแต่งไม่บอกไว้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเห็นมาโดยลาดับลำดับจนกระทั่งเข้าถึงวัดป่าบรรดาสงสัยที่ไหนที่นี่เมื่อถึงวัดป่าบรรดาอ๋อวัดป่าบรรดาเป็นอย่างนี้มันจะประจักษ์ในหัวใจทันทีเวลามาถือแบบแนั้นถังมามาด้วยความสงสัยว่าวัดป่ามีก็จริงแต่ไม่พ้นความสงสัยแต่เวลามาเจอด้วยประจักษ์ด้วย สงสัยที่ไหนไปไหนก็ไปเถินี่หายสงสัยแล้ววัดเ่องวัดป่าบัรดานี่ฉันใดการรู้อดรู้ธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเองลงไปเหมือนกับเราก้าวเดินเข้ามาสู่วัดป่าบรรดาศ์ที่เวลาสมาธิยังไม่เคยเห็นแค่เห็นก็มาเห็นก็มาเรื่อยเข้ามาจนกระั้งทีมุดุูดพ้นเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนนี่หมดความสงสัยเหมือนกับผู้ที่มาเห็นวัดป่าบรรดาศ์ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่รู้ธรรมในธรรมด้วยการปฏิบัติเต็มหัวใจแล้วย่อมหายสงสัยเช่นเดียวกันนั่น แม้วุรีเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ทูลถามฟังสิอย่างที่เคยพูดพระอนั ญ, ญตระว่าไงท่านกําลังจะไปทูลถามพระเจ้าในเรื่องข้ออาจข้อธรรมแต่พอไปเห็นฝนตกแล้วพิจนารณาเรื่องฝนเรื่องฟอ ง, องน้ําที่มันกระทบกันเทียบกับสังขารสัญญาภายในสังขารภายในที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกับน้ําที่กระทบกันแล้วตั้งเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเทียบไปเทียมาแล้วบรรุธรรมเลยในขณะนั้นจะถามที่นั้นในเวลา น, านั้นพอฝนตกหยุดแล้วกลับกุฏิเลยไม่ไปทูลถามพระเจ้านัาน่นเห็นไหม เมื่อถึงขั้นที่ไม่ทุนถามถามอะไรเมื่อถึงที่แล้วก็หาที่ทุนถามไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องทำมูลเจ้ายึงว่าสันทิสโกสันทิโกถ้ายังจะต้องทุนถามในของจริงที่รู้อยู่แล้วสันทิสโกมีความหมายอะไรพระเจ้าสอนไม่ทําไมว่าสวดคาราธรมได้ยังไงมันไม่ไม่ได้ต่ประชอบแล้วนี่นะมันไม่ได้เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทุนถามพระองค์ทําไมนั่นนี่แหละความจริงให้มันเห็นทั้งส่วนล้อนี้การปฏิบัติทำทำมาทั้งสดวร้อนี้แท้อยู่ในหัวใจเรานี่นะอริยสัจทั้งสี่อย สติปัญญาเขาใจสร้างขึ้นมาสิให้มันเห็นมันรู้สิทำไมจริงๆเป็นมรรคผลนิพพานตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ไปไหนหมดทำขมงพระพุทธเจ้าทำแก้กิเลสเป็นทำแก้กิเลสอยู่โดยตรงแล้วเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหนกิเลสมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองทำมาที่จะฆ่ากิเลสก็เป็นธรรมะที่สังหารกิเลสได้เช่นเดียวกับขับ้นพุทธการแล้วเราสงสัยสมัยสงสัยหาอะไรแล้วนอนอยุ่จมอยู่ทำไมจึงไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้พระพุทธเจ้าให้แก้กิเลสด้วยอะไรด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาเอามาสิพิจารณาาาาาเเรรออยยูู่่ในนนโลี้้มแว เรายัางติดอะไรเรางสงสัยอะไรเดีเ น, นี่ยยังไม่จิตจังยังไม่ดื่มยังดื่มดั่งกับอะไรอะไรเป็นของใหม่ในโลกเกิดใจหรตายเป็นของใหม่หรือมันเป็นของที่ให้ความทุกข์ทรมานเรามามากเสีมา ก, มากเพราะเรื่องเกิดจหรตานี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรเอาพระกันจะาจำมันเอาละเหนือหน่อยเพอ<ฮ> <laughs> ดูมันพิลนะเหมือนฟ้าดินตลบ <laughs> <laughs> เหมือนกับครังกิเลสตัวโมโหโโโตัโศเต็มตัวเลยฟาดออกไปเลยหนุนโมโหกิเลสในนาวยไม่ใช่โมโหคนกัโมโหกิเลสอยู่ในหัวใจคนจริ มันขี่รถดีทําไมขี่ ร, ร่วงขี่โคตรขี่หลงรถหัวใจตลอดเวลาปฏิบัติจิตเข้าไปเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทําทั้งหลายนี่จะเข้าไหลเข้าเรื่อยเรื่อยทําละเอียดจิดละเอียดเข้าประสาททั้งหลายทำเหล่านี้จะหมุนตัวเข้าไปจิ้วจิ้เข้ากันได้เพราะวับเลยนะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเข้าเลยค่อยฟังไปแล้วต่อไปจะค่อยเข้าใจแล้วเอาเทพไปฟังนั่งภาวนาฟังเทพนะ เทปเปิดเบาๆพอได้ยินจะพอจะของแล้วฟังนั่งภาวนาฟังเหนื่อยก็เดินเป็นกลมฟังเทปภาพปฏิบัติให้จิตตั้งจิตอยู่กับตัวอย่าส่งจิตออกไปเที่ยนส่งจิตออไปสู่ผู้เทศอย่างนี้ไม่ต้องให้ตั้งความรู้มีสติอยู่กับใจเนี่ยไอ้รู้อยู่นี่แล้วเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสสัมผัสติ ด, ด, ดต่อสืบเรื่องกันไป เ, เรื่อยๆ อ, อ, อ, อันนี้ก็เลยค่อยสงบลงไปสงบไปเลยสงบแน่วนั่นต่อไปก็พอท่านเริ่มเทปปั๊บเราก็เริ่มกําหนดเหมือนกับว่าเรา เปิดปากหม้อภาชนะสนําหรับรับน้ำอันนี้เราเปิดปากหม้อคืยใจของเรานี้ด้วยสติรักษาเวลาพอเทศนุ่นก็เสียงจะเข้ามาสัมผัสเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสแยบแๆบแย บ, ยบแล้สื่อเมืองลเลยเรื่เทินฟังอยู่านั้นเทินความสัมผัสของเสียงธรรมกับใจรับรู้รับรู้กันแล้วสงบแนวสงบแนวนี่การสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นท่านปัญญาไม่เป็นอีกอย่างนะ มันจะขยับตามนะข่านปัญญามันอยู่นะท่านเทศนี้มันจะขยับขยับขยับตามน่ะมันไม่แน่วอยู่เหมือนตะคอนมันมันต่างกันนะจิตดวงเดียวนั้นแหละมันต่างขั้นต่างภูมิกันพราะท่านเทศจิตอยู่ขั้นปัญญานี้มันจะขยับตามขยับตามขยับตามจถึงมันยังว่านพรนิพพานเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้องเวลาท่านเทศเหมือนพรนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่ขนั้นั้ะ ว่าท่านอยู่่ไปเหมือนกับทะครอบหัวมันเรื่องอะไรนี่เป็นผมมันเป็นมาพอแล้วเรื่องไห้ฐานเราไปกองอยุงเทพนะ น, นี่ผมนับมิตกมากยังไม่ถึงไหนนะวิตกมากนะกับกรมฐ า, านเราจะไปขายตัวเขาก็ลบนับถือก็เป็นสักกาโลคุยสังนติไปเท่านั้นนะลืมดินเหนียวมาติดหัวแล้วเข้าจะมีหงอนขึ้นไป อ, ไอ่างนี เออเป็นเรื่องของกิเลส ม, มันชอบยอนี่ยนะเมื่อเ ข, เขามานับถือก็เท่ากับเข้ามายอแล้วเป็นบ้าไปเลยผู้ที่มีหลักมีเกณฑ์ส่วนมากท่ไม่ค่อยไปหรอกเรื่องอย่างนั้นไปก็ไปเป็นกิจจ์แล้วก็มาตั้งอนถนไปแล้วท่านก็เป็นท่านอยู่ตลอดนั่นผู้มีผู้มีธรรมย่อมเป็นธรรมอตลอดไม่มีธรรมมันสค่อยจะหาภายนอกเข้ามาเสริมมาเสริม และสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบต่อเจ้าของทำลายเจ้าของโดยไม่รู้สึกตัวเลยผมคิดหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันนะไม่ใช่เพียงขั้นเดียวตอนเดียวเดียวกับเรื่องวงคณะด้วยโมเพื่อนของเรานี้ด้วยวงคณะผู้ปฏิบัติของเรานี้ด้วยนแลวนอกจากนั้ น, น, ย, น, นยังวงศาสนาอย่างกว้างขวางไปอีกด้วยะ ถ้าจะเป็นกังวลก็ได้เป็นจริงๆแต่นี้ไม่เป็นพีไหนแล้วเราปล่อยอมันไปเรื่อยธรรมดาอาการปกครองกันนี่เนี่ยเป็นของสําคัญ อ, อยู่ด้วยกันเนี่ยกิเลสมันเลวกว่าทําทําเรานนไม่ตื่นกิเลสขึ้นเหยียบหัวแล้วยังไม่รู้ถ้าตื่นก็ตื่นเพราะกิเลสเหยียบแรงเกินไปมันทุกข์มากมันจะตายมันก็ดิ่งขึ้นมาทักทีหนึ่งนั่นคน ลืมตัวมันเป็นไงแต่คนไม่ลืมตัวสติอยู่กับตัวพิษถูกประกันเดยมันก็มันไปยึดไปถือไปนอกเลยให้อภัยกันได้อย่างสบายสบายเพราะนักบวชคือนักให้อภัยปล่อยไปหมดแล้วไปยึดว่าเป็นของมีคุณค่าอะไรความมีคุณค่าที่ตรงไหนโดยความจำเป็ญ น, นั่นแหละคือตัวกิเลสตัวพิษตัวไฟมีถุนงนั้ น, นอือเอาจับปนิค้นเรยวไปเลิกแล้วจริงนะ